ซีดีของหลวงพ่อแผ่นที่ห้ากำลังจะออกแต่ว่าแผ่นที่สี่คิดว่าคงจะออกแต่แผ่นที่ห้าก็คงจะออกมาเพื่อเป็นให้เป็นคู่กันบา ง, งั้นแต่แต่คงจะถ้ายอยออกธรรมะของหลวงพ่ออย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวก่อนที่ แผ่นซีดีที่จะออกออกมาต่อชุมชนสังคมหลวงพ่อเองก็ได้ให้พระท่านกลั่นกรองในระดับหนึ่งจากนั้นมาหลวงพ่อก็กลั่นกรองอีกในระดับสองคล้ายกับว่าไม่ให้กระทบกระเทือนต่อชุมชนสังคมประเทศชาติชุมชนบุคคลใดๆทั้งหมดออกมาโดยเป็นธรรมผู้ฟังเข้าไปแล้วเกิดความรู้เกิดสติปัญญามีแนวความคิด ในแนวแถวพุทธศาสนาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแนวแถวความคิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนวแถวพระธุดองกรรมฐานหรือแนวแถวประยัตปฏิบัติปฏิเวทที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้สรุปแล้วถ้าว่าพวกเราตั้งใจฟังที่ซีดีของหลวงพ่อเนี่ยเข้าในทํานองที่ว่า ส, สุสังละสะเตปัญญง ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาหรือผู้ฟังด้วยดีย่อมมีปัญญาแน่นอนเพราะว่าหลวงพ่อกัรกรองในคำพูดที่แนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนญาติโยมพระเนนมีทั้งสอนพระเนรด้วยมีทั้งสอนพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็ประสบปการของหลวงพ่อที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาก็ได้แทรกเข้าไปในคาพูดเพราะว่า หลวงพ่อก็บวชมาตั้งแต่เป็นสมณีนอายุ 10-12 อปีเดี๋ยวนี้ก็อายุ 61-62 ปีนับดูสิชีวิตของหลวงพ่อฝังไว้ในพระพุทธศาสนานี่นานสักเท่าไหร่เพราะนั้นจะไม่ให้มีความคิดไม่ให้มีประสบการณ์ซะเลยก็คงจะเป็นทับผีแช่อยู่ในหมอ้อแกงเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ออกซีดีไม่ใช่ออกนะคล้ายๆคําว่า การอบรมภาคเนรญาติโยมอย่างพูดอย่างวันนี้แหละท่านก็ได้อัดเอาไว้จากนั้นก็คิดว่าเป็นประโยชน์ท่านก็ได้เอาออกมาต่างกลัมต่างวรระเพื่อจะให้ญาติโยมพี่น้องประชาชนลูกศิษย์ลูกหาที่มาเคารพนับถือหรือว่ามาบวชกับหลวงพ่อนี่ได้ศึกษาได้ฟังในเมื่ออยู่ในบ้านในเมืองห่างไกลจากหลวงพ่อก็ไ ด, อได้ฟังเสียงของหลวงพ่อเมื่อสมัยเมื่อตัวเองเข้ามาบวช จากนั้นก็ได้ฟังเสียงหลวงพ่อเป็นบางครั้งบางคราวเป็นเสียงธรรมะหลวงพ่อว่าจะคิดว่าคงจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังไม่มากก่็น้อยเพราะว่าการได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเหตุไรจึงพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้พระธรรมแล้วนําพระธรรมมาพูดให้แก่พระสงฆ์คือผู้สดับสาวกะไปว่าผู้สดับผู้รับฟังจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึง่ง ยึที่ท่านมัาเทศโปรดปัญจวคีทั้งห้ า, าโกลทัญยะว ป, ปาพัติยะมหานามาอจชิชิพระพุทธองค์ก็เอาพระธรรมคือคําสั่งสอนของพระองค์นั่นแลมาประกาศให้ปัญจวคีทั้ง5ฟังปัญจวคีทั้ง5ขณะที่ฟังก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต์พูดอย่างรวบรัดนะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์จากนั้นท่านก็แยกย้ายกันประกาศาศาสนาจากนั้นก็ผู้มีอุปนิสัย ก็ได้ยินได้ฟังไปเรื่อยเรอได้ยินได้ฟังก็ได้สําเร็จมักสําเร็จผลองคไหนที่มีบุญวาสนาบารมีขณะที่ฟังก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาพระสกทาพระอนาคาพระอรหันถ้าองคไหนไม่มีบารมีก็เพื่อได้ยินได้ฟังแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงนั่งสมาธิภาวนาดูจิตใจตัวเองได้สําเร็จเป็นพระโสดาสกทาถึงอรหันตเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฟังก็ได้สําเร็จการปฏิบัติก็ได้สําเร็จแต่ว่าในครั้งพระพุทธเจ้านี่การฟัง รู้สึกว่าจะได้สาเร็จมากเพราะว่าท่านเอาของจริงมาพูดเมื่อสอนบอกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะผู้ที่ฟังก็เข้าใจเออเรียนรู้เลยหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแน่นอนเหตุผลตรงเปี้ยท่านก็วางทางจิตใจของท่านเลยเข้าสู่จิตใจของท่านท่านก็ปล่อยวางทันทีเลยท่านก็ได้สาเร็จเป็นอริยะบุคคลขึ้นมาในขณะนั้นในเดี๋ยวนั้นทันทีเลยเพราะท่านเข้าใจแล้วก็ปล่อยวาง ท่านมายึดมั่นถือมั่นตามแนวแถวที่พระพุทธเจา้าท่านสอนท่านเอาอของจริงมาสอนเมื่อฟังพูดฟังก็ตั้งใจฟังด้วยจริงใจอยู่แล้วก็ได้รับของจริงฟังด้วยจริงรู้จริงเห็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนเอพราะฉะนั้นการฟังมองข้ามไม่ได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังสุดตรมย์ปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังกินตรมย์ปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาใข้ควรทบทวนเหตุและผล เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วภาวนามาย์ปัญญาปัญญาเกิดจากการนั่งสมาธิภาวนาทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งซะก่อนแล้วนํามาพิจารณาเกิดปัญญาขึ้นมารู้แจ้งเห็นจริงอันนี้แล้วว่าการได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นอย่างในครั้งพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันอย่างร พ, า พ, าพระพุทธเจ้าตรัสให้พาหิยะพระพุทธอ ง, งค์ก็บอกว่าพาหิยะเธอเห็นทศกัณฐ์เห็นอย่าไปสําคัญในความเห็นอันนั้นของเธอ รู้แต่สักว่ารู้เห็นแต่เห็นแต่สักว่าเห็นเพียงแค่นี้นะพระพายยะก็ได้สําเร็จเป็นพระอระหรันต่อร พ, พระพักพระพุทธเจ้าขณะที่ยืนอยู่ในเมืองกรุงสวัสดีนะยืนอยู่ในถนนนะ เ, เทศให้อยู่ในกลางถนนเลยนะพระพายยะก็ยืนฟังพระพุทธเจ้าครัว่าพายยะ เ, เธอเห็นแต่สักว่าเห็นรู้แต่สักว่ารู้อย่าไปให้ความสําคัญในการรู้การเห็นนั้นนะ เพียงแค่นั้นนะท่านก็ได้สําเร็จเพราะเหตุไรเพราะบารมีของท่านแก่กล้าตเต็มเปี่ยมมาแล้วเพียงพูดเพียงคําเดียวเข้าใจก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหันอย่างท่านพระสารีบุตรอย่างเนี้ยพระสารีบุตรท่านบวชเข้ามาได้สิบ้าวันพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่ถ้าสุกรขาตาในกรุงราชคฤห์พระสารีบุตรท่านอยู่เบื้องหลังพระพุทธองค์ถวายงานพัดในวันนั้นนี่หลานชายของท่านเนี่ยที่ว่าทีาคณัคขา คงจะเป็นนักบวชที่ว่านอกศาสนาหรือเป็นรือีหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นนักพจนักบวชแต่เป็นผู้ไว้เล็บยาวเทวทีข้านักขะเป็นนิกายหนึ่งว่างั้นเถอนิกายไว้เล็บยาวนิกายไหวหนวดยาวมันมีหลายหลายหลายแนวว่างั้นเถะเออท่นั้นทีค้าข่าเนี่ยท่านก็ไว้เล็บยาวท่านก็ทราบข่าวว่าหลวงลุงของท่านน่ยคือภาษาริบุตรนี่มาสยบหรือมายอมเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า ในใจของท่านท่านก็ไม่พอใจแล้วกว่าในกรุงราชสักขเนี่ยว่าหลวงลุงของข้าเนี่ยเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาหาใครจะเปรียบไม่ได้ออรอบคอบรอ บ, ร, อบรัว้วหมดทุกอย่างเชา่าปัญญาไม่มีใครที่จะเหนือยิ่งกว่าหลวงลุงของเราคือสารีบุตร อ, อแต่ปัานนี้ทําไมจึงมาสยบกับสมณะโครมมาบวชกับสมณะโคโดมอันนี้คือความไม่พอใจในหลานเพรา ง, งั้นเน่ย ทีขนะขาเนี่ยติดเน้น้ากีหาเสา ะ, ะแสวงหาว่าพระองค์เสด็จประทับอยู่ที่ไหนเขาก็เลยเข้ามากราบพระพุทธเจ้าเนี่ยในถ้ำสุกรขาตากรุงราชาคือเขามาก็เห็นหลวงลุงเขาานั่งอยู่เบื้องหลังพระพุทธเจ้าถวายงานพัดอยู่เดี๋ยวนี้พระองค์ก็เทศอะไรให้ฟังออแสดงทําให้ทีคณะขะฟังที่เขาถามมาพอถามถามไปแล้วทีคณะขะเขาก็พูดขึ้นมาแบบ คงจะมีในใจของเขาอยู่สักอย่างหนึ่งที่เขามันไม่ลงใจของเขาเนี่ยพอหลว ง, ล, งลุงของเขาทําไมสยบกับสมณะอโคดมพุทธเจ้าเขาเลยพูดว่าสมมณะโคดมข้าพเจ้าไม่พอใจทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดที่ท่านได้พูดที่ท่านได้แสดงมาข้าพเจ้าไม่พอใจทั้งหมดพราะพระเจ้าองค์ ท่านนั่งอยู่ท่านก็ บ, บอกว่าทีคณะเขาเธอควรจะไม่พอใจในความคิดเห็นอันนั้นของเธออีกด้วยเพียงแค่นั้นละ่ะพระษาลิบุตรนั่งอยู่ฟังอยู่ข้างหลังได้ตัดสู้ได้เป็นพระอราหันต์ได้บรรลุธรรมได้บรรลุธรรมพระพุทธองค์ตัดให้หลานชายของท่านฟังเพียงแค่นั้นแปลว่าชกไปข้างหน้าข้างหลังได้สำเร็จมล้ ง, งั้นเถอะ นี่แหละอันนี้คืออาศัยการได้ยินได้ฟังเกิดปัญญาเกิดความรู้สึกอันนั้นของเธออีกด้วยก็คือท่านกุนดิ่งเขาไปหาใจเลยทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดใจตอนนั้นนเป็นความพอใจและความไม่พอใจกิเลสมันอยู่ตรงนั้นปล่อยวางตรงนั้นจบแล้วท่านก็เป็นพระอราหันต์ในขณะนั้นเลยที่ถ้ำสุกรขาตานี่แหละภาษาวกของพระพุทธเจ้าที่เราศึกษาโดยดีแล้วเราจะรู้ได้ว่า พระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่คือสอนหลักเหตุผลเมื่อจี้จุดเข้าไปถึงจุดแล้วท่านจะต้องปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงแต่ทางว่าพวกเราท่านทั้งหลายโดยมากก็ว่าพวกทันทาภิญญาอันนั้นที่ท่านได้ตัดสู้เร็วนะว่าพวกคิด ป, ปะพิญญาพวกรู้ได้เร็วท่านสอนเพียงหน่อยเดียวก็เข้าใจถ้าจะเปรียบเทียบกับ พวกเราทุกวันนี้กับพวกไอคิวสูงวะกันน่ยไม่จําเป็นจะต้องอธิบายมากพอครูอ้าปากขึ้นมาจะอธิบายนักเรียนที่ไอคิวสูงเขเข้าใจแล้วอแต่พวกทันทาปิยานี่ก็นั่งอ้าปากฟังอย่างนั้นเท่าไร่ก็ไม่เข้าใจอธิบายเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจอจนทจะเข้าใจได้โอ้คุณครูนี่จนเหนื่อยล้าไปหมดอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละท่านจึงเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนดอกบัวสเหล่านันะ เราหนึ่งอยู่ในเปลือกตมเราที่สองกำลังพ้นเปลือกตมมาแล้วเราที่สามกำลังอยู่ในระดับน้ําเราที่สี่พ้นน้ําขึ้นมาอาศัยแสงแดด ก, ก็แบ่งบานนะเพราะฉะนั้นเพื่อนจะจัดเป็นดอกบัวสี่หล่าแต่พวกเราจะเป็นเหล่าที่ไหนนะให้ดูตัวเองนะแต่ก่อนละนินกินละนอนอความชั่วทั้งหลายทั้งปวงชอบหมดแสดงว่ามันอยู่ในเปลือกตมนะแถมมันโผล่จากเปลือกตมขึ้นมาแล้วก็เออรู้จักทําบุญทําทานเข้าวัดเข้าวารู้จัก สร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าว่าพวกกำลังจะพ้นนะเออตั้งอกตั้งใจภาวนา เ, ออเริ่มตั้งอกตั้งใจภาวนาถ้าว่าผู้ที่จะพ้นน้ำาน่นพิจารณาถึงเข้าสู่จิตใจแล้วภาวนาจิตใจเขาถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเกิดความเบื่อหน่ายมันจะหลุดพ้นแล้วว่างั้นเถอะเออถ้าพิจารณาถึงขนาดนั้นได้แปว่าดอกบัวจะพ้นน้ำแล้วเออพราะนั้นพวกเราถามตัวเองนะ ไม่ต้องถามใครอื่นบ อ, อกบวชสีเหล่าที่ว่คนนั้นอาจจะเป็นสีเหลาคนนี้อาจจะเป็น เ, เปลือกตม เ, เดี๋ยวก็จะทะเลาะ ก, กันอีกล่ะถ้าทะเลาะ ก, กันยังไงแปลว่าอยู่ในเปลือกตมทั้งหมดว่างั้นเถอะพวกนั้นพวกเราอย่ า, อ, าอย่าไปมองที่อื่นให้มองเข้ามาหาตัวเองเอวันนี้หลวงพ่อได้ให้แนวความคิดแก่พวกเราทันทั้งหลายอาพอสมควรอต่อเนี้ไปหลวงพ่อกับพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปูราปริปูเร